กระเพาะหมูหรือบางกระเจ้าเป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่หลายคนรู้จักในชื่อปอดของกรุงเทพปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนับเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติที่มีความสาคัญยิ่งผนวกกับความสมบูรณ์ของพื้นที่สีเขียวทำให้หลายภาคส่วนให้ความสาคัญกับการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวแห่งนี้ ให้คงความเป็นวิถีชีวิตแบบสังคมกเกษตรกรรมไทยดั้งเดิมไว้พื้นที่คุ้งบางกระเจ้าเป็นระบบนิเวศ ท, ที่มีความหลากหลายเนื่องจากได้รับอิทธิพลทั้งจากน้ำจืดจากแม่น้ำเจ้าพระยาและน้ำเค็มจากอ่าวไทยจนมีการกล่าวว่าระบบนิเวศของพื้นที่สีเขียวที่บางกระเจ้าเป็นระบบนิเวศป่าสามน้าคือ ระบบนิเวศป่าน้ำจืดระบบนิเวศป่าน้ำกร่อยและระบบนิเวศป่าน้ำเข็มกรมทรัพยากรน้ำพร้อมกับแกนนําของประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมมือกันรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเข้าร่วมในกิจกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ําคูคลองมีการส่งเสริมกระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีบทบาทมีส่วนร่วมในกิจกรรมการอนุรักษ์มากขึ้น โดยจัดตั้งเครือข่ายบริหารจัดการน้ำในพื้นที่โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคุ้งบางกระเจ้าพร้อมส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำให้ชุมชนได้ตระหนักรู้ถึงคุณค่าของแหล่งน้ำและเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของมากขึ้นนั่นเองน้ำคือชีวิตควรคิดก่อนใช้กรมทรัพยากรน้า